ทรงขออนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสมณีหลายรูปไว้อุปถาตสมัยนั้นตระกูลอุปถากของท่านพระสารีบุตรทรงเด็กชายไปยังสำนักของท่านด้วยมอบหมายว่าขอพระเทระโปรดให้เด็กคนนี้บรรพชาขณะนั้นท่านพิจารณาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุรูปเดียวไม่พึงใช้สมณีสองรูปให้อุปถาก ก็เรามีสมณีราหุนนี้อยู่แล้วจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุรูปเดียวซึ่งเป็นผู้ฉลาดสามารถใช้สมณีสองรูปให้อุปถาคได้หรืออนุญาตให้ใช้สมณีเท่าที่สามารถจะตักเตือนพร่ำสอนให้อุปถากได้